สิ่งที่พระพุทธเจ้าสงสอนให้ชาวพุทธเรามันพิจารณากันอยู่เนืองเนืองคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสรรพสัตว์ทั้งหลายของสิ่งทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ แล้วดับไปไม่มีใครสามารถที่จะสั่งให้ไม่เปลี่ยนแปลงให้ไม่ดับไม่ให้ไม่เกิดได้สิ่งที่จะเกิดเขาก็ต้องเกิดเกิดแล้วเดี๋ยวเขาก็จะต้องดับไปนี่คือธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น มนุษย์เป็นคนเป็นบุคคลเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสิ่งของต่างๆเป็นของที่มีการเกิดมีการดับมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีก็มีเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีก็มี เป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้ควบคุมบังคับไม่ได้ถ้าเรามันพิจารณาอยู่เนืองๆเราจะได้ไม่ยึดติดเราจะได้ยอมรับความจริงถ้าเรายอมรับความจริงไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆไม่อยากไปให้เขาดับหรือไม่อยากไปให้เขาเปลี่ยนแปลง เราก็จะไม่มีความทุกข์ใจความทุกข์ใจของพวกเราไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการเกิดการดับของสิ่งต่างๆแต่เกิดจากความอยากของใจที่ไปอยากให้สิ่งต่างๆไม่เกิดหรือไม่ดับหรือไม่เปลี่ยนแปลง ถ้าเราหมั่นพิจารณาอยู่เนือ ง, เ, องเราก็จะได้ปรับใจของเราให้เป็นไปตามความเป็นจริงถ้าใจเราไม่ยอมปรับเราก็ต้องปรับเราก็ต้องบังคับการบังคับปรับใจนี้ก็คือการภาวนานี้เอง เราต้องมาภาวนากันมาปรับใจของเราที่เต็มไปด้วยความอยากต่างๆอยากได้แต่ไม่อยากเสียหรืออยากไม่ได้หรืออยากให้ไม่เปลี่ยนแปลงความอยากเหล่านี้ที่มันอยู่ในใจของเรานี่เราต้องกำจัดมัน ต้องหยุดมันการภาวนาจิตตะภาวนานี่แหละเป็นวิธีที่จะทำให้เราสามารถควบคุมความอยากต่างๆไม่ให้มันมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้แก่ใจของโลกเราไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถ กำจัดความทุกข์ความวุ่นวายใจที่เกิดจากความอยากต่างๆได้นอกจากการปฏิบัติจิตตภาวนานี้เท่านั้นสิ่งต่างๆที่เราเอามากําจัดความอยากนั้นแทนที่จะกําจัดกลับไปเสริมความอยาก ให้มีเพิ่มมากขึ้น เ, เช่นเราอยากได้อะไรพอเราได้มาแล้วเราก็อยากจะให้อยู่ต่อไปอยู่กับเราไปนานๆอยากให้ไม่เสียไม่เสื่อม อ, อยากให้ไม่มีการทัดพากจากกันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เขาจะต้องมีการ เสื่อมมีการดับมีการพัดพาคจากกันไปดังนั้นความทุกข์ของเราเกิดจากการที่เราไม่รู้ความจริงว่าเกิดจากความอยากของเราอยากให้สิ่งต่างๆให้ความสุขกับเราไปนนานๆให้ความสุขกับเราไปตลอด แต่สิ่งต่างๆบุคคลต่างๆนั้นเขาไม่สามารถที่จะให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดเขาก็จะต้องมีวันเสื่อมมีวันดับไปถ้าเรามาบำเพ็ญจิตตภาวนาเราจะมาปรับปรุงใจของเราให้ ไม่มีความอยากในสิ่งต่างๆ mm hmm. เมื่อเราสามารถหยุดความอยากในสิ่งต่างๆได้ mm hmm. ใจของเราก็จะไม่ทุกข์ใจของเราก็จะสงบแล้วก็จะมีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราจะได้รับจากสิ่งต่างๆ สิ่งต่างๆที่พวกเราใช้เป็นเครื่องให้ความสุขกับเรา mm. ก็คือล mm. า mm. บยศสรรเสริญ mm. รูปเสียงกดลิ่นรสผลพะที่พวกเราเสพที่พวกเราสัมผัสกันอยู่ตลอดเวลา mm. แต่เขาเป็นของชั่วคราว mm. เขามาแล้วเดี๋ยวเขาก็าไปพอเขาไป เขาก็ปล่อยให้เราอยู่อย่างอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเศร้าซร้อยหงอยเหงาว้าเหวเราก็ต้องไปหาเขาใหม่หามาได้มากน้อยเดี๋ยวเขาก็จากออกไปเราก็ต้องหาอยู่เรื่อยๆถ้าหาไม่ได้เราก็จะไม่สบายใจทุกข์ใจหาได้ก็ดีใจเดี๋ยวเดียว เราก็ต้องมากังวลมาวิตกมาห่วงมาห่วงของที่เราหามาได้เราก็ไม่อยากให้เขาจากเราไปดังั้นชีวิตของเราจะมีแต่ความวุ่นวายใจกับการหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขแล้วก็วุ่นวายใจกับการที่จะต้องคอยดูแลรักษา วุ่นวายใจกับการวิตกกังวลต่างๆแล้วก็ต้องมาวุ่นวายใจกับการสูญเสียเพราะในที่สุดถ้าเขาไม่จากเราเราก็ต้องจากเขาไปเพราาร่างกายของเราที่เราใช้เป็นเครื่องมือหาลาบยศสละเสรนหารูปเสียงกลิ่นรสผลตภาพก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน เป็นของชั่วคราวเหมือนกันร่างกายของเราเกิดมาแล้วก็จะต้องเจริญเติบโตไปตามลำดับเมื่อจเจริญเติบโตจนถึงขีดสูงสุดแล้วเขาก็จะเริ่มเสื่อมลงความชราก็จ ะ, ะเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยกำลังวังชาที่เคยมีอยู่ก็จะลดน้อยถอยลงไป ความสามารถที่จะใช้ร่างกายหาลาบยศสลรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผทตภะมาเสบก็จ ะ, ะเสื่อมลงไปทีละเล็กทีละน้อยความสุขที่ได้ก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆความทุกข์ก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับ เวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็มีแต่ความทุกข์ถ้าไปเจอโรคภัยที่จะถึงแก่ชีวิตก็ยิ่งทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมามากแล้วเวลาจะต้องตายก็จะทุกข์แต่ถ้าเราได้มาบำเพ็ญจิตตะภาวนากันมาควบคุมจิตใจควบคุมความอยากมัน ท่ำจิตใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นอุเบกขาจิตใจก็จะมีความสุขในตัวเองเมื่อจิตใจมีความสุขในตัวเองจิตใจก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายไปหาความสุขต่างๆไม่ต้องพึ่งลาบยศสรรเสริญไม่ต้องพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะมาให้ความสุข จิตใจก็จะอยู่เฉยๆไม่เดือดร้อนกับสิ่งต่างๆไม่เดือดร้อนกับการสูญเสียของสิ่งต่างๆและของร่างกายไปเพราะจิตใจสามารถอยู่ตามลำพังได้จิตใจเป็นที่พึ่งของตนได้เป็นอัตตาหิอัตนาโนอัตนาโนโทู ตนเป็นที่พึ่งของตนจิตเป็นที่พึ่งของตนได้ก็ต้องมีธรรมังสรนังกฉามิเป็นที่พึ่งธรรมังก็คือคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราสร้างความสงบขึ้นมาภายในใจถ้าเราไม่มีธรรมังสารนังกฉามิเราจะไม่รู้ว่า การที่จะทำให้ใจของเราเป็นที่พึ่งของตนเองได้ไม่ต้องไปเพิ่งร่างกายไม่ต้องไปเพิ่งลาบยศสรรเสริญไม่ต้องไปเพิ่งรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะนั้นเป็นได้อย่างไรถ้าไม่มีธรรมะคำสอนเราจะไม่รู้กันเมื่อเราไม่รู้เราก็จะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ ที่พวกเรากำลังมีกันอยู่ในขณะนี้ได้ mm hmm. เราก็จะหาที่พึ่งแบบชั่วคราวกันไปร่างกายก็เป็นที่พึ่งชั่วคราวลาบยศสนเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นที่พึ่งชั่วคราว mm hmm. เวลามีก็มีความสุขแต่พอเวลาไม่มี ก็จะต้องทุกข์กันเนี่ย <Yeah. S 1> <Yeah, S 2> เราโชคดี mm hmm. ที่ได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนามีพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาคอยสอนมาคอยเตือนให้พวกเร า, เารู้จักวิธีพึ่งตนเองให้เรารู้จักหาความสุขที่มีอยู่ในตัวของเราเอง ที่เป็นความสุขที่จะอยู่กับเราไปตลอดเพราะของที่อยู่กับเราเป็นของมันจะเป็นของเราอย่างแท้จริงแต่ของที่อยู่ข้างนอกเราข้างนอกตัวเราคือนอกใจเราไม่ได้เป็นของเราเป็นของเราชั่วคราวเพราะเขามีการเกิดมีการดับเป็นธรรมดา ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีการดับกันไปจากกันไปแต่ความสุขที่มีอยู่ในใจนี้เป็นความสุขที่จะไม่มีวันดับไปจากใจเพราะใจก็เป็นสิ่งที่ไม่มีวันดับเช่นเดียวกันนี่คือความวิเศษของตัวพวกเราเองที่พวกเราไม่รู้กันว่าพวกเรานี้เป็นผู้วิเศษ ผู้ที่ไม่มีวันตายกันอแต่เราไม่รู้ความจริงอันนี้เราก็เลยไปพึ่งร่างกายแทนเพราะคิดว่าร่างกายจะให้ความสุขกับเราอจะพาเราไปหาลาบยศสรรเสริญพาเราไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลพระมาให้ความสุขกับเราอแต่เราไม่รู้ธรรมชาติของร่างกายของเรา ไม่รู้ธรรมชาติของลาบยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะว่าเป็นอนิจจ์เป็นของชั่วคราวไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรอมีการเกิดมีการดับเป็นธรรมดามีการเจริญมีการเสื่อมเป็นธรรมดาอลาบยศสรรเสริญสุข นี้ก็มีการเจริญมีการเสื่อมเป็นธรรมดาเราจึงต้องสัมผัสกับทั้งส่วนที่เจริญและส่วนที่เสื่อมมีเจริญลาบก็มีเสือ่อมเสื่อมลาบเออจริญลาบก็คือเวลาได้เงินทองกันก็เป็นการเจริญลาบพอเวลาใช้เงินทองไปก็เป็นการเสื่อมลาบมี ยศก็มีมีการเจริญยศก็มีการเสื่อมยศมีการได้รับตาแหน่งต่างๆแล้วเดี๋ยวก็จะต้องมีวันอพ้นจากตาแหน่งไปมีสรรเสริญได้รับรางวีรางวัลก็มีนินทาตามม า, ามีข้าลาานินทาสลับกันไปบางทีก็มีสรรเสริญบางทีก็มีอ มีนินทาเมื่อมีการเจริญก็จะมีสุขตามมาเมื่อมีการเสื่อมก็มีความทุกข์ตามมามนี่เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงกันไม่ได้เพราะนี่คือโลกกระทำธรรมที่อยู่ประจำโลกธรรมของโลกนี้มีแปดประการที่เรียกโลกกระท8แปดคือการเจริญลาบยศสรรเสริญสุข และการเสื่อมราบยศสารเสริญสุขเป็นสี่คู่หนึ่งแต่ละคู่มีแต่ละแต่ละอย่างมีการเจริญและต้องมีการเสื่อมไปคนไม่ฉลาดอย่างพวกเราก็เลยไม่รู้ว่ามันจะต้องเสื่อมกันแล้วก็ไปยึดไปติดไปหาไปอาศัยเขามาเป็นที่พึ่ง เวลาเขาไม่เป็นที่พึ่งของเราเราก็ต้องทุกข์กันเพราะเราไม่เคยมีปัญญาที่จะคิดกันหรือถึงแม้จะมีก็คิดไม่ออกเพราะรู้อยู่อย่างเดียวว่าต้องมีสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีแล้วจะเดือดร้อนไม่เคยรู้ว่ามีสิ่งที่ดีกว่าสิ่งเหล่านี้อยู่ ที่ไม่ใช่เป็นโล ก, กธรรมที่เราเรียกว่าสันติธรรมคือความสงบอันนี้ไม่มีใครรู้นอกจากพวกนักบวชต่างๆทั้งหลายพวกที่บำเพ็ญจิตตภาวนาจะรู้ว่ามีสิ่งที่ดีกว่าโล ก, กธรรมมีสิ่งที่ดีกว่าลาบยศสรดเสริญ ดีกว่าความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายก็คือความสงบที่เกิดจากการบําเพ็ญจิตตภาวนานี้เองอการบําเพ็ญจิตตภาวนานจะทําให้จิตสงบแล้วก็จะมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงที่จะทําให้ไม่ต้องไปพึ่งความสุขต่างๆอีกต่อไป ไม่ต้องไปเพึ่งลาบยศสรรเสริญไม่ต้องไปเพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑไม่ต้องไปพึ่งร่างกายเวลาที่สิ่งเหล่านี้มีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาจิตใจจะไม่เดือดร้อนจะไม่ทุกข์จะไม่วุ่นวายใจถ้าไม่ได้มีการบำเพ็ญจิตตาภาวนาไม่มีการ ทำจิตใจให้สงบไม่มีความสุขที่เหนือกั่ความสุขทั้งปวงอยู่ในใจจิตใจก็จะต้องยึดกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพื่อให้ความสุขต้องยึดร่างกายเพื่อที่จะได้หาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผลพภะมาเสพกันแล้วก็ต้องมา เสีย อ, อกเสียใจเศร้าโศกเสียใจล้องห่มล้องไห้เวลาที่ต้องสูญเสียลาบยศสรรเสริญต้องสูญเสียความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายต้องสูญเสียร่างกายไปนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสั่งได้ทรงตัดสรุคือได้รู้ว่า มีความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่สัตว์โลกหากันคือความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะก็คือความสุขที่เกิดจากการบาเพ็ญ จ, จิตตพมนาเพื่อทำจิตใจให้สงบจิตใจจะสงบก็มีอยู่สองแบบด้วยกัน แบบชั่วคราวกับแบบถาวรในเบื้องต้นก็จะได้แบบชั่วคราวก่อนคือการบำเพ็ญส ม, มถะภาวนาการภาวนานี้มีอยู่สองระดับด้วยกันระดับแรกเรียกว่าส ม, มถะภาวนาระดับที่สองเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาระดับแรกนี้จะ ทำใจให้สงบแล้วก็หยุดความอยากที่เป็นตัวที่ทำให้ใจวุ่นวายได้แต่เป็นการหยุดชั่วคราวไม่สามารถทำลายความอยากต่างๆที่เป็นตัวทำให้จิตใจไม่สงบทำให้จิตใจวุ่นวายเวลาจเจริญสติเพื่อควบคุมความคิด ควบคุมความอยากจิตก็จะสงบแต่พอกำลังของสติอ่อนลงกำลังของความอยากก็จะกลับคืนมาใหม่แล้วก็กลับมาสร้างความวุ่นวายใจให้กลับใจใหม่กลับมาหลอกให้ใจไปหาความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนแล้วทำให้ใจต้องไปทุกข์กับ การสูญเสียความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั้นไปถ้าอยากจะกำจัดความอยากให้หมดไปนั้นจำเป็นจะต้องบําเพ็ญสมวิปัสสนาภาวนาคือขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งต้องรู้จักวิธีทำใจให้สงบรู้จักวิธีหยุดความอยากหยุดความคิดให้ได้ก่อนวิธีนี้ก็คือการจเจริญสติ ใช้สติคอยควบคุมความคิดควบคุมความอยากถ้าสติมีกำลังมากกว่าความคิดความอยากจิตก็จะสงบความคิดความอยากก็จะหยุดทำงานชั่วคราวพอหยุดทำงานชั่วคราวจิตก็จะมีความสงบมีอุเบกขามีความสุขอย่างยิ่ง ตอนนั้นจิตจะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรความรักความชังความกลัวความหลงก็จะไม่มีอยู่ในจิตแต่อยู่ได้ชั่วคราวตามกําลังของสติที่ได้เจริญสติเมื่อเจริญก็จะมีกําลังหยุดความคิดความอยากได้แต่เดี๋ยวไม่ไม่นานสตินั้นก็จะหมดกําลัง พอหมดกำลังความคิดความอยากก็จะกลับมาทำงานต่อแล้วก็จะมาฉุดรากจิตใจให้ไปวุ่นวายกับการหาความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนต่อแล้วก็ต้องมาวุ่นวายใจกับการสูญเสียความสุขที่ได้มาถ้าไม่อยากให้จิตใจไปวุ่นวายหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้ว ก็ต้องมาเจริญวิปัสสนาภาวนาคือต้องมาสอนใจให้เห็นว่าความอยากนี้เป็นตัวที่ทำให้ใจไม่มไม่สงบทำทำให้ใจไม่มีความสุขเวลาที่ความอยากไม่ทำงานขณะที่อยู่ในสมาธิ คืออยู่ในอัปปนาสมาธิตอนนั้นความอยากไม่ทางานพอความอยากไม่ทํางานใจก็มีความสงบมีความสุขพอกำลังของสติที่กดความอยากกดความคิดเอาไว้อ่อนลงความคิดความอยากก็จะเริ่มทํางานทำให้ต้องออกมาจากสมาธิพอออกมาก็ต้อง จเจริญวิปัสนาต่อถ้ามีกําลังที่จะไปพิจารณาวิปัสนาก็ต้องไปวิวปัสนาถ้ายังไม่มีกําลังที่จะไปวิปัสนาก็ให้ไปกลับไปจเจริญสติต่อก่อนควบคุมความคิดควบคุมความอยากให้สงบให้ได้ทุกครั้งที่เราต้องการก่อน ถ้าเรามีความสามารถที่จะควบคุมความคิดความอยากได้ทุกเวลาที่เราต้องการเหมือนกับรถยนต์ที่เราสามารถเหยียบเบรกแล้วทำให้รถหยุดได้ตามที่เราต้องการแล้วถึงค่อยขับรถออกไปนอกถนนไปที่ถนนที่มีรถลาวิ่งไปไหนมาไหนได้ถ้าเรายังควบคุมรถยนต์ไม่ได้ ยังเหยียบเบรกแล้วรถยังไม่หยุดนี่เราก็ต้องเข้าอู่ไปก่อนต้องไปติดเบรกให้เรียบร้อยก่อนพอเรารู้ว่าเบรกทำงานดีแล้วเราก็จะขับรถไปตามท้องถนนได้ไดังนั้จิตใจของเราก็เป็นเหมือนรถยนต์รถยนต์ที่จะต้องมีเบรกเวลาที่ไปเจอเหตุการณ์ต่างๆ แพืไปเจอความเสื่อมของลาบยศสรรเสริญไปเจอความเสื่อมของความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปเจอความเสื่อมของร่างกายใจก็ต้องรู้จักหยุดความอยากหยุดความอยากให้ไม่ให้สิ่งต่างๆนั้นเสื่อมไปหมดไปถ้าไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยาก ให้สิ่งต่างๆไม่เสื่อมอก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาดังนั้นในเบื้องต้นก็ต้องฝึกสมถะภาวนาให้ชานานก่อนอสามารถเข้าสมาธิได้ทุกครั้งที่เราต้องการนั่งสมาธิเมื่อไหร่ก็จิตก็สงบได้เมื่อนั้นเมื่อเราสามารถควบคุมความคิดควบคุมความอยากได้แล้ว เวลาที่เราออกจากสมาธิมาเราก็มาเจริญวิปัสสนาได้วิปัสสนาก็ให้เราพิจารณาความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆนี่เองพิจารณาว่าราบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผลึกภะนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดมีดับได้มีเจริญมีเสื่อมได้มีมามีไปได้ พิจารณาทำไมเพื่อให้เราจะได้ไม่อยากได้นั่นเองถ้าเราเห็นว่ามันไม่เสื่อมเราก็จะอยากได้เวลาเราเห็นอะไรนี้เรามักจะเลยว่ามันจะเสื่อมกันเราไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเสื่อมเวลาเห็นอะไรที่เราชอบเราอยากได้ขึ้นมาเราจะคิดว่ามันจะอยู่มันจะเป็นของเราไปตลอดแต่เราลืมไปว่า ถึงแม้สิ่งที่เราได้มาอาจจะไม่เสื่อมแต่ร่างกายของเราที่เราใช้เป็นเครื่องมือมันจะเสื่อมก่อนก็ได้ร่างกายของเราจะตายไปเมื่อไหร่ก็ได้นี่คือการพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อเราจะได้หยุดความอยากได้สิ่งต่างๆนั่นเองถ้าเราไม่เห็นความเสื่อม ถ้าเราไม่เห็นความทุกข์ในสิ่งต่างๆถ้าเราไม่เห็นอนัตตาคือเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามความอยากของเราได้เสมอไปเราก็จะได้ไม่อยากได้อะไรนี่คือวิปัสสนาให้เห็นว่าการที่เราไปอยากกับสิ่งต่างๆนี้มันจะพาเราไปสู่ความทุกข์ความวุ่นวายใจ ไม่ใช่ไปสู่ความสงบความสงบสุขอยู่ที่การหยุดความอยากต่างๆด้วยปัญญาด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช่หยุดด้วยสติการหยุดด้วยสติเราก็เพียงแต่ใช้พุทโธพุทโธพุทโธไปไม่ให้ใจคิดไม่ให้ใจอยากใจก็สงบได้แต่ความอยากไม่หายไปพอเราไม่มีพุทโธไม่มีสติ พอใจเริ่มคิดปรุงแต่งใจก็จะคิดไปในทางความอยากทันทีนี่คือทําไมเราจึงต้องพิจารณาความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆอยู่เสมอเพื่อที่จะทําให้เราหยุดความอยากได้สิ่งต่างๆนั่นเองถ้าเรารู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้จะต้องกะจะต้องหมดไปจะต้องจากเราไป จะต้องทําให้เราทุกข์ใจเราก็จะได้ไม่อยากได้นี่คือการพิจารณาเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาการพิจารณานี่เราสามารถทําได้ทุกในทุกอิริยาบถเวลาที่ไม่อยู่ในสมาธิยกเว้นเวลาที่ไม่อยู่ในสมาธิเท่านั้นเวลาอยู่ในสมาธินี่ไม่ใช่เวลาที่จะพิจารณา ไม่ใช่วิไม่ใช่วิไม่ใช่เวลาที่จ ะ, จ ะ, จะเจริญวิปัสสนาภาวนาเปรียบเหมือนกับร่างกายนีร่างกายเราก็มีสองส่วนสองภาคด้วยกันภาคพักผ่อนหลับนอนกับภาคทํางานเราจะไม่เอามาปนกันเวลาร่างกายพักผ่อนหลับนอนเราก็จะไม่ไปทํางาน ไม่เอาล่างไม่ปลุกล่างกายขึ้นมาไปทำงานเรารอให้ร่างกายพักผ่อนให้เต็มที่ก่อนนอนหลับให้เต็มที่เติ่นขึ้นมาก็ให้รับประทานอาหารให้อิ่มให้มีกำลังวังชาเมื่อร่างกายได้พักผ่อนได้อาหารมีกำลังวังชาแล้วเราค่อยออกไปเราค่อยเอาร่างกายไปทำงานกันทำงานไป ชั่วพักหนึ่งก็หิวก็ต้องหยุดพักทำงานรับประทานอาหารแล้วพอถึงเวลาเย็นก็ต้องกลับบ้านเพื่อไปพักผ่อนหลับนอนไปรับประทานอาหารในการพักผ่อนหลับนอนของร่างกายก็เหมือนกับการพักผ่อนหลับนาหลับนอนของจิตใจจิตใ จ, จก็ต้องพักผ่อนหลับนอนเหมือนกันการพักผ่อนหลับนอนของจิตใจนี้เราเรียกว่าสมาธิ ในเวลาที่จิตพักผ่อนอยู่ในสมาธิไม่ใช่เวลาที่เราจะมาทำงานคือไม่ใช่เวลาที่เราจะมาเจริญวิปัสสนาภาวนาเราต้องรอให้จิตได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ก่อนเมื่อพักผ่อนเต็มที่แล้วจิตก็จะถอนออกจากสมาธิเราก็จะเริ่มคิดปรุงแต่งไปตามความอยากต่างๆ ตอนนั้นนะ่ะเราต้องดึงใจให้กลับมาคิดในทางที่จะทำให้ใจไม่อยากใจจะไม่อยากก็ต้องเห็นใจรักเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากได้นั้นเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกข์เพราะว่าเราไม่สามารถไปควบคุมบังครับให้มันเที่ยงแท้แน่นอนให้มันให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลา ของต่างๆที่เราหามาได้เนี่ยบางทีก็ให้ความสุขกับเราบางทีก็ให้ความทุกข์กับเราทำไมถึงเป็นอย่างนั้ น, นเมื่อเราคิดว่ามันจะให้ความสุขกับเราแต่ทำไมมันแถมมีความทุกข์มาให้กับเราด้วยก็เพราะเราไม่มีปัญญาตอนที่เราอยากได้เราไม่ได้คิดว่ามันจะต้องมีการเสื่อมมีการเสียมีการสิ้นสุดมีการหมดไป เราคิดเพียงอย่างเดียวว่าดีเห็นอะไรเราอยากได้ก็คิดว่าดีเราจะมีความสุขกับสิ่งที่เราอยากได้แต่เราไม่มองไกลไปกว่านั้นไม่มองว่าหลังจากที่เราได้มาแล้วมันจะดีไปตลอดหรือเปล่ามันจะให้ความสุขกับเราไปตลอดหรือเปล่าอันนี้เราไม่คิดกันไม่พิจารณากันถ้าไม่มีคนสอนเราก็จะไม่รู้กัน ไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศเสริญไม่ว่าเป็นความสุขทางตาหูจมูกนิ้วไกล้วนจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดมีวันเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็ไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้เวลามันเสื่อมมันเปลี่ยนแปลงเวลามันเสียเวลามันจากเราไป เวลานั้นเราก็จะทุกข์กันอันนี้คืออนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาทุกขังนี่คือใจของเราใจเราไปทุกข์กับสิ่งต่างๆเพราะเราไม่เห็นอนิจจังเราไม่เห็นอนัตตาเราไปเห็นว่าเป็นนิจจังเป็นอัตตากันเราเห็นอะไรเราจะมักอยากคิดว่ามันจะต้อง ดีไปตลอดให้ความสุขกับเราไปตลอดเป็นของเราไปตลอดแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันให้ความสุขกับเราได้ชั่วคราวมันดีได้ชั่วคราวมันเป็นของของเราได้ชั่วคราวแต่มันจะต้องมีวันที่มันจะไม่ดีมันจะมันจะมีวันที่มันจะให้ความทุกข์กับเรา มันจะมีวันที่มันจะต้องจากเราไปไม่ได้เป็นของเราอีกต่อไปอ น, นี่คือวิปัสสนาขั้นที่สองขั้นแรกนี้เราใช้สมถภาวนาทำใจให้สงบหยุดความอยากให้เป็นก่อนเพราะถ้าเราหยุดความอยากไม่เป็นเวลาเราไปวิปัสสนาเราวิปัสสนาเพื่อให้เราหยุดความอยาก ความรู้ที่เราได้จากวิปัสสนาคือเห็นว่าทุกอย่างเป็นตายรักนี่จะไม่มีกำลังพอที่จะหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราได้ <Yeah. S 1> เพราะเราไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากเรามีความรู้รู้ว่าความอยากไม่ดีเหมือนคนที่รู้ว่ายาเสพติดไม่ดีคนที่ติดยาเสพติดแล้วนี่ ถึงแม้จะรู้ก็ไม่มีกำลังที่จะสู้ความอยากเสพยาไม่ได้พอเกิดเวลาเกิดเวลาอยากเสพยาขึ้นมาก็ต้องเสพถ้าไม่เสพแล้วจะทุกข์ทรมานใจนั่นเองพะไม่เคยฝึกสมาธิมาก่อนไม่เคยบาเพ็ญจิตตภาวนาไม่เคยจเจริญสติมาก่อน สติไม่มีกำลังพอที่จะหยุดความอยากได้ ถ, ถึงแม้จะรู้ว่าเป็นอันตรายเป็นทุกข์เสีมากๆ ก, ก, ก็อาจจะตายได้แต่ก็ทนไม่ไหวทนต่อความอยากไม่ไหวเพราะเวลาเกิดความอยากแล้วมันทรมานใจเวลาอยากได้อะไรแล้วไม่ได้เนี่ยมันทรมานใจมากจึงทนไม่ไหวจึงต้องไปทำ ตามความอยากกันดังนั้นอย่าเพิ่งรีบร้อนไปทางวิปัสสนาภาวนาวิปัสสนาความจริงพวกเราก็มีวิปัสสนากันอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่เราฟังเทศน์ฟังธรรมนี้ก็เป็นการเจริญวิปัสสนาภาวนาเพราะธรรมที่พระเจ้าทรงสอนก็สอนไปที่ตายรักษณ์นี้ทั้งนั้นสอนให้พวกเราเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอน ตอนให้พวกเราเห็นว่าทุกอย่างนี้เราควบคุมบังคับมันไม่ได้เรารู้กันเราฟังธรรมณทีไรเราก็รู้ว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เราก็ยังหยุดมันไม่ได้พอเห็นของที่เราอยากได้ก็ซื้อมาทันทีพออยากจะไปไหนก็ไปกันทันที พออยากจะดูอยากจะฟังอะไรก็ดูฟังกันทันทีเพราะเราไม่มีสมถะภาวนาไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากได้พออยากขึ้นมาเห็นอะไรอยากได้ขึ้นมาก็ไปเอาทันทีถงทึงทั้งทั้งที่รู้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา แต่ก็ไม่มีกำลังสู้ความอยากได้เพราะเวลาเกิดความอยากนี้ใจมันสัน่นใจมันทรมานมือไม้สัน่นใจสัน่นจะหายสั่นก็ต่อเมื่อไปทำตามความอยากเช่นคนที่ติดยาเสพติดพออยากจะเสพยาแล้วมือไม้ก็สั่นไปหมดคนที่ติดบุหรี่ก็เหมือนกันติดสุราก็เหมือนกันพอเกิดความอยากแล้วใจจะสัน่น จะทรมานจะไม่มีความสุขจะหงุดหิดลำคาญใจจะหายก็ต่อเมื่อได้ไปทำตามความอยากแต่มันไม่ได้ทำให้ความอยากหายไป<ม>ความทรมานใจหายไปชั่วคราวความอยากหายไปชั่วคราวเดี๋ยวพอฤทธิ์ของยาฤทธิ์ของสุราฤทธิ์ของอุรีหมดไปความอยากจะเสพก็พโผล ข, ขึ้นมาใหม่ ดังนั้นเราอย่าไปกังวลเรื่องปัญญากันมากให้กังวลเรื่องสติกับสมาธิกันให้มากเพราะมันเป็นสิ่งที่เราไม่มีกันเราฟังเทศฟังธรรมกันมาอย่างต่อเนื่องแทบทุกวันก็ว่าได้มีการแสดงธรรมอยู่เรื่อยทุกครั้งที่แสดงธรรมก็มีเรื่องของวิปัสสนาอยู่เสมอแต่เรื่องของ สมถะนี้เป็นสิ่งที่ฟังเฉยๆไม่ได้ฟังแล้วต้องเอาไปปฏิบัติด้วยถึงจะเกิดสมาธิขึ้นมาปัญญานี้ฟังก็เกิดปัญญาได้แต่สมาธินี้มันต้องเอาไปปฏิบัติถึงจะเกิดขึ้นมาเระฉั้นสิ่งที่เราไม่มีการลือกขาดกันก็คือเรื่องของสมาธิมากกว่าเรื่องของปัญญา ปัญญานี้เรามีปัญญาของพระพุทธเจ้าเราฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่อย่างต่อเนื่องเรารู้หมดว่าร่างกายไม่เที่ยงาร่างกายเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทรัพสมบัติเก้าของเงินทองบุคคลต่างๆก็จะต้อ ง, ง, งมีการพัดภาคจากกันไปอันนี้เรารู้กันแต่เรายังทําใจ ไม่ได้เรายังอดที่จะอยากให้เขาไม่จากเราไปไม่ได้เรายังอดที่จะอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้เพราะเราไม่มีสมาธิไม่มีสตินั่นเองเราจึงต้องพยายามทุ่มเทเวลาให้กับการฝึกสติกับการฝึกสมาธิก่อนก่อนที่จะไปสื่อวิปัสสนาวิปัสสนาก็มีสองระดับนะ ระดับแรกก็เนี่ยตอนนี้เราฟังเทศฟังธรรมกันก็เรียกว่าเป็นวิวปัสสนาระดับแรกเป็นวิปัสสนาชั่วคราวเราฟังแล้วเดี๋ยวเราก็ลืมเดี๋ยวพอเราไปทาอย่างอื่นใจเราก็ไปคิดเรื่องอื่นเรื่องวิปัสสนาที่เราได้ยินได้ฟังก็อาจจะหายไปหมดเลยก็ได้พอเห็นอะไรอยากได้อะไรก็ลืมไปหมดว่า การทำตามความอยากนี้จะพาเราไปสู่ความทุกข์ต่อไปอันนี้เป็นวิปัสสนาชั่วคราวที่เราจะต้องเอาไปพัฒนาให้มันเป็นวิปัสสนาที่ถาวรคือไม่หลงไม่ลืมตอนนี้เราฟังเดี๋ยวเราไปทำภารกิจอย่างอื่นเราก็หลงก็ลืมถ้าเราไม่อยากหลงไม่อยากลืมเราก็ต้องเอาไปทำการบ้านต่อ เอาไปคิดอยู่เรื่อยๆ อ, อย่างที่ได้พูดไว้ในเบื้องต้นว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราหมั่นพิจารณาอยู่เนืองๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอน เ, ออเป็นอนิจจังเป็นอนัตตา อ, ออนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนอนัตตาเราไปควบคุมบังคับให้เขาเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้ถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็จะได้ ไม่ไปอยากได้อะไรในโลกนี้เพราะถ้าอยากแล้วมันจะทำให้เราต้องเจอความทุกข์เพราะสิ่งที่เราได้มาไม่ช้า ก, ก็เร็วเขาก็จะต้องเสื่อมไปหมดไปจากเราไปนั่นเองอันนี้เป็นวิปัสสนาที่ถาวรที่จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อเรามีเวลามาพิจารณาอยู่อย่างต่อเนื่อง ก็ต้องเป็นระดับของนักบวชหรือผู้ที่ไม่มีภาระเกิจการงานท ร, รมาหากินอะไรต่างๆแล้วก็จะมีเวลาที่จะหมั่นพิจารณาปัญญาได้อย่างต่อเนื่องและสลับกับการทำสมาธิเพราะว่าสมาธิถ้ายัางไม่สมบูรณ์ก็ต้องพยายามจเจริญให้สมบูรณ์ ต้องสามารถรวมจิตให้เป็นหนึ่งให้ได้ให้เป็นอัปปนาสมาธิแล้วก็ให้สงบได้อยู่นานๆเมื่อสงบได้อยู่นานๆเวลาออกจากสมาธิมาจะมีกำลังสู้กับความอยากได้เวลาเกิดความอยากก็เอาปัญญาที่เราไม่หลงไม่ลืมมาสอนใจให้เห็นว่ากำลังไปหาความทุกข์เพราะสิ่งที่เราอยากได้มันไม่เที่ยง มันจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปเราไปควบคุมบังคับไปห้ามมันไม่ได้เนี่ยนี่ถ้ามีทั้งสองอย่างมีมีสมาธิที่มีกําลังที่จะหยุดความอยากได้แล้วก็มีปัญญาที่จะสอนใจว่าทำไมต้องหยุดความอยากทำไมต้องไม่ทำความอยากเพราะการทำความอยากไม่ได้นำไปสู่ความสุขนำไปสู่ความทุกข์ พอคิดอย่างนี้ได้ก็จะหยุดความอยากได้พอเห็นร่างกายแก่ก็จะหยุดความอยากไม่แก่ได้พอจะรู้ว่าร่างกายก็ไม่เที่ยงร่างกายมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมความแก่ก็คือความเสื่อมของร่างกายนี้เองถ้าไปอยากให้ไม่เสื่อมก็จะทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ ปล่อยให้มันเสื่อมไปดูแลมันไปตามกำลังของเราแต่ไปห้ามมันไม่ให้มันเสื่อมไม่ได้ผมมันจะงอกก็ต้องปล่อยมันงอกไปหนังใจเหี่ยวก็ต้องปล่อยมันเหี่ยวไปไปดึงไปทำสัญญกรรมมันก็ไม่นานเดี๋ยวมันก็เหี่ยวเหมือนเดิมผมไปย้อมมันกี่ครั้งเดี๋ยวมันก็เขามันก็งอกออกมาเหมือนเดิมทำไปแล้วเหนื่อยไปเปล่า สู้ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันแล้วเราจะได้ไม่ไปทุกข์ไปวุ่นวายกับมันความแก่นี้ยังไม่เท่าไหร่ความเจ็บไข้ได้ป่วยนี่มันจะทำให้เราทุกข์ทรมานใจมากกว่าความแก่เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ทาอะไรไม่ได้เลยหาความสุขไม่ได้เลยก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจ เพราะอยากจะให้หายอยากจะให้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้าเรามีวิปัสสนามีปัญญาเราก็จะไม่อยากให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็เพราะว่ามันเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่แล้วจะไปอยากให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยได้อย่างไรหนึ่งจะไปอยากให้มันหายมันก็ไม่หายเวลามันเจ็บก็ต้องปล่อยมันเจ็บไปยอมรับต้องยอมมันยอมเจ็บ ยอมเจ็บถ้าใจเรายอมเป็นใจเราจะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยใจเราจะไม่ทุกข์กับความตายยอมตายยอมให้มันตายใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจเพียงแต่มายึดติดร่างกายเป็นคนรับใช้เท่านั้นเองเอาร่างกายมารับใช้ ใ, ใจใจอยากหาราบยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือแต่ร่างกายมันก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายไม่มีใครไปห้ามมันได้อนาตตาไม่มีใครไปห้ามมันได้ถ้าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็จะทุกข์ทรมานใจ ถ้าไม่อยากทุกข์ทรมานใจก็ปล่อยมันแก่ปล่อยมันเจ็บปล่อยมันตายที่ปล่อยไม่ได้ก็เพราะไม่มีสติไม่มีสมาธิที่จะหยุดมันรู้ด้วยปัญญาว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายรู้ว่าถ้าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันจะทำให้เราทุกข์แต่เราก็ยังอดที่จะทุกข์ไม่ได้เพราะเราไม่มีสติกาลังพอที่จะ หยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้นั่นเองดังนั้นถ้าเรายังไม่มีสมาธิอย่าเพิ่งไปกังวลเรื่องปัญญามากเกินไปปัญญาเราก็พอรู้อยู่ว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่แล้วแต่เรายังไม่สามารถเอาปัญญานี้มาสอนใจให้หยุดความอยากต่างๆได้ เพราะใจไม่มีกำลังที่จะสู้กับความอยากนั่นเองเราจึงต้องมาฝึกสมาธิกันก่อนการจะได้สมาธิก็ต้องมีสติเป็นเครื่องมือสตินี่แหละที่จะเป็นผู้ที่จะทำให้จิตสงบการที่จะฝึกสติได้เราก็ต้องมีเวลาต้องมีสถานที่ที่เหมาะสมต่อการเจริญสติ สถานที่ที่เหมาะสมก็คือสถานที่ที่สงบวิเวกที่ไม่มีใครมาบรบกวนการเจริญสติถ้าเจอคนแล้วมันจะไม่มีมันจะไม่ได้เจริญสติเพราะเมื่อเจอแล้วก็ต้องคิดปรุงแต่งต้องคุยกันต้องถามสารทุกสุขลิบต่อกันถ้าไม่พูดไม่คุยกันก็อาจไปคิดว่าโกรธกันหรือเกลียดกันหรืออย่างไรไม่มีความเมตตาต่อกันหรืออย่างไร แต่ความจริงผู้ที่เจริญสตินี้ท่านจะไม่อยากจะพูดจากับใครไม่อยากจะคุยกับใครไม่ใช่เพราะว่าท่านไม่มีความเมตตาแต่ท่านกำลังพยายามสร้างสติการจะสร้างสติก็คือการพยายามหยุดความคิดต่างๆนี้เองดังนั้นผู้ที่บาเพ็ญจริงๆนี้ จ, งจึงมากอยากจะไปปีกวิเวกอยู่คนเดียวไม่อยากจะพบปะกับใคร เพราะเมื่อพบปะกกันแล้วก็ต้องสนทนากันคุยกันเวลาคุยก็ต้องใช้ความคิดถ้าเห็นกันแล้วนี่ถ้าไม่พูดจากันนี่ก็เหมือนจะอาจจะทำให้คิดว่าโกรธกันหรื อ, อยังไงไม่พอใจหรืออย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีคือสถานที่ที่สงบไม่มีคนรบกวนใจ ถ้ามีคนก็ต้องคนที่เข้าใจกันอย่างพระที่อยู่ในวัดปฏิบัตินี้ท่านมักจะไม่คุยกันเจอกันก็ไม่ได้คุยอะไรกันอย่างมากก็ยิ้มให้กันหน่อยหรือไม่ยิ้มก็ได้ถ้ากำลังทำอะไรอยู่ถ้ากำลังปัดกวาดก็มีสติอยู่กับการปัดกวาดถ้ามีกำลังทำอะไรก็มีสติอยู่กับงานที่กำลังทำอยู่ก็จะไม่มีเวลาที่จะมาทักทาย ถามสารละทุกข์สุขดิบกันต่างคนต่างทำงานของตนในสมัยพุทธกาลก็มีวัดแบบนี้พระที่อยู่ด้วยกันนี้แทบจะไม่ได้คุยกันเลยชาวบ้านถึงกับสงสัยว่าพระท่านทะเลาะกันหรือเปล่าท่านโกรธกันหรือเปล่าถึงไม่คุยกันถึงไม่อะไรกันสังสรรค์กันเหมือนกับชาวบ้านทั่วไป เพราะว่าพระแต่ละองค์นั้นท่านกำลังฝึกสตินั่นเองท่านกำลังควบคุมความคิดท่านต้องการหยุดความคิดด้วยการมีสติจดจอ่ออยู่กับงานใดงานหนึ่งงานที่กำลังทำอยู่เช่นกาลังกวาดถูอะไรก็ให้อยู่กับงานที่กวาดถูหรือไม่เช่นนั้นท่านก็กำลังบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่นี่เป็นวิธีที่จะทาให หยุดความคิดได้หยุดความอยากได้การบริกรรมพุทธโธก็คือเป็นการวิธีเจริญสติวิธีหนึ่งการจดจ่อเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายเฝ้าดูการทำงานของร่างกายก็เป็นวิธีเจริญสติอีกวิธีหนึ่งดังนั้นการที่จะได้สมาธินี้จำเป็นจะต้องฝึกสติตลอดเวลาตอน ก่อนที่จะมานั่งถ้าไม่มีสตินั่งไปก็ไม่เกิดประโยชน์นั่งไปจิตก็จะฟุ้งจะคิดบุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆนั่งไปก็มีแต่ท่านั่งมีแต่ไม่มีผลที่เกิดจากการนั่งก็ไม่มีสติคอยควบคุมความคิดดังนั้นจึงควรครวบคุมความคิดให้ได้ก่อนค่อยมานั่งเพราะไม่เช่นนั้นนั่งไปก็ไม่สงบ นั่งไปก็นั่งไม่ได้นานนั่งไปเดี๋ยวก็รู้สึกอึดอัดขึ้นมาเพราะความคิดมันอยากจะลุกนั่นเองอยากจะลุกอยากจะไปดูอยากจะไปฟังอยากจะไปทำนั่นทำนี่มันก็เลยทำให้นั่งไม่ได้เวในเบื้องต้นการจะฝึกสมาธิได้ผลนี้จำเป็นจะต้องฝึกสติก่อนต้องฝึกตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยสติแล้วก็จนถึงเวลาหลับเลย อย่าให้มีเวลาที่ไม่มีการฝึกสติไม่มีการเจริญสติจะทําอย่างนี้ได้ก็ต้องไปอยู่ในที่ที่เขาจัดไว้ให้เราเจริญสติก็คือไปอยู่ตามวัดปฏิบัติต่ตางๆวัดปฏิบัติธรรมนี้จะไม่มีภารกิจอย่างอื่นนอกจากภารกิจจําเป็นเช่นดูแลความสะอาดรักษาความสะอาดของสถานที่กวาดทูสาลา ทำามสะอาดห้องน้ำทาอะไรกวาดลานวัดอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ก็เป็นงานที่มีเว ล, เวลาและขณะที่ทำงานก็สามารถจเจริญสติควบคู่ไปได้เพราะจะไม่มีการคุยกันผู้ที่มาช่วยกันกวาดผู้ที่มาช่วยกันทาความสะอาดก็ช่วยกันทำไปแต่ใจก็ถูกสติคอยควบคุมไม่ให้คิดไม่้ปรุงแต่ง เี่คือหนึ่งต้องมีสถานที่สองต้องมีเวลาจะมีเวลาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ก็ต้องไปบวชหรือไปอยู่แบบนักบวชบางท่านยังบวชถาวรไม่ได้ก็ไปบวชชั่วคราวเช่นวันไหนหยุดทำงานมีเวลาว่างก็ไปขออยู่ที่วัดเพื่อไปฝึกสติอันนี้เป็นการทำชั่วคราวซึ่งก็ก็ดีกว่าไม่ทำ แต่ก็สู้ทำแบบต่อเนื่องไม่ได้เก็ทำแค่วันสองวันเดี๋ยวกลับไปทำงานก็ล้มหมดก็ต้องกลับมาทำใหม่มันจะไม่ต่อเนื่องต้องทำแบบต่อเนื่องก็ต้องบวชยาวบวชแบบไม่ศึกนี่สมัยก่อนสมัยพุทธกาลนี้พระเขาบวชกันแบบไม่ศึกเพราะเขาเห็นคุณค่าของการบวช การบวชนี้เป็นการให้เวลาให้เขามีเวลาได้มาเจริญสมถะภาวนาได้มาเจริญวิปัสสนาภาวนานั่นเองเพราะว่าถ้าเขาต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์เขาต้องมีสมถะภาวนามีวิปัสสนาภาวนาถึงจะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ฉอนั้นถ้าเขาบวชแล้วเขาจะไม่สึกกัน เป้าหมายของการบวชนี่ก็คือบวชเพื่อให้สําเร็จบรรลุธรรมนั่นเองแล้วถ้าบรรลุธรรมแล้วก็ไม่รู้จะศึกไปทําไมผู้บรรลุธรรมแล้วก็จะไม่มีความอยากแบบที่เป็นคารวะก็ไม่รู้จะกลับไปอยู่เป็นเพศคารวะทําไมเมื่อไม่มีความอยากได้ลาบยศจันละเซิญไม่มีความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะ ไม่อยากมีครอบครัวไม่อยากมีภรรยาก็ไม่รู้จะศึกไปหาอะไรนี่คือการจะปฏิบัตินี้จะต้องมีเวลามีสถานที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติสถานที่เหมาะสมเราเรียกว่าสัปปายะสถานที่เหมาะสมบุคคลที่เราอยู่ร่วมด้วยก็เหมาะสมคือคนที่อยู่ร่วมกันก็ปฏิบัติเหมือนกัน ถือศีเท่ากันจะเลียนสติเหมือนกันเวลาทําภารกิจก็ต่างคนต่างทําไม่มาสนทนาไม่มาสังสรรค์กันฮต่างคนต่างทําภารกิจไปแม้เวลาขบฉันก็ไม่คุยกันฮในเวลาดื่มน้ําปานะก็ไม่คุยกันไม่เหมือนกับเพศคาววะนี้เวลาทํากิจกรรมร่วมกันนี้ต้องคุยกันฮไม่ว่าจะไปงานไหนจะได้ยินเสียง ก็ห่มในสถานที่นั้นไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานงานบวชงานอะไรก็ตามจะมีการคุยกันเป็นปกติแต่งานของผู้ปฏิบัตินี้จะไม่มีการคุยกันคุยกันน้อยที่สุดแต่ไม่ต้องถึงกับถือถือศีลหยุดพูดอันนี้ไม่จำเป็นเพราะบางทีมีความจำเป็นจะต้องพูดก็จะได้ยังพูดได้อยู่ ถ้าไปถือศีลไม่พูดงดการพูดเดี๋ยวลําบากเดี๋ยวเกิดมีธุระที่จะต้องบอกให้ทำํำนี่บอกไม่ได้เอมีพระอยู่รูปหนึ่งท่านเข้าเข้าใจผิดท่านถือศีลไม่พูดท่านแต่ท่านมีอะไรท่านก็เขียนใส่กระดาษมันก็เหมือนกับพูดเวลาเขียนใส่กระดาษมันก็ต้องใช้ความคิดอยู่ดีเอเวลาพูดก็ต้องใช้ความคิดะ เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นถึงกับจะต้องงดการพูดจากันเลยพูดได้บ้างแต่ให้มีเหตุมีผลเท่านั้นให้มีการละเทสะไม่งั้นคูบาอาจารย์ก็เทศอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ไม่ได้ถ้าคูบาอาจารย์จะต้องถือศีล์งดพูดด้วยถ้าทุกคนอยู่ในวัดงดพูดหมดแล้วใครจะมาพูดธรรมะให้ฟังกันหรือเวลาลูกศิษย์มีคาถามมีปัญหาในการปฏิบัติ ถ้าไม่ให้พูดกันเราจะถามถามได้อย่างไรฉนั้นขอให้เข้าใจว่าไม่จําเป็นจะต้องพูดให้สํารวมก็พอไม่ต้องห้ามพูดแต่ให้สํารวมการพูดให้น้อยที่สุดให้พูดเท่าที่จําเป็นถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องพูดนีด่คือการเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาว จำเป็นจะต้องมีสถานที่ที่สงบสบปายะบุคคลที่อยู่ร่วมกันก็ต้องเป็นบุคคลที่สปายะต้องเป็นคนที่มีสติมีมีการภาวนาเหมือนกันทั้งคนจะได้ไม่มารบกวนกันถ้าคนหนึ่งภาวนาเอกคนหนึ่งไม่ภาวนาคิดปรุงแต่งอยากจะทํานู่นทนํานี่ก็จะไปรบกวนคนอื่นได้นังั้นคนที่อยู่ร่วมกันก็ต้อง ปฏิบัติเหมือนกันถึงจะได้ไม่รบกวนกันนี่คือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีถ้าเราอยากจะฝึกสติเพื่อนั่งสมาธิเพื่อทำจิตใจให้รวมเป็นหนึ่งเป็นอุเบกขาถ้าเรามีกำลังที่จะทำจิตใจให้รวมเป็นหนึ่งเป็นอุเบกขาเราก็จะมีกำลังหยุดความอยากได้เราก็ใช้กำลังนี้ มาประกอบกับวิปัสสนาคือความรู้ทางปัญญาให้รู้ว่าการทำตามความอยากนี่เป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่ไปหาความสุขก็จะทำให้เราหยุดความอยากได้ทุกครั้งที่มันต้องการอะไรเราก็บอกว่าทุกนะได้มาแล้วเดี๋ยวต้องทุกนะไม่ช้าก็เร็วสิ่งที่เราได้มามันก็จะต้องจากเราไปลรือหมดไปถ้าพอเราเห็นด้วยปัญญาแล้วเรามี สติที่จะหยุดความอยากเราก็หยุดได้ทันทีความอยากก็จะหายไปต่อไปความอยากก็จะไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในใจใจก็จะสงบไปตลอดสงบอย่างท่าวนสงบแบบชั่วคราวเราก็เรียกว่าสมาธิสงบแบบทาวนเราก็เรียกว่านิพานนี้เองจิตที่สงบอย่างตลอดเวลาเพราะไม่มีตัวที่จะมาทำให้จิตวุ่นวายต่อไป จิตจะสงบไปตลอดไม่มีวันวุ่นวายต่อไปก็เรียกว่านิพพานถ้าจิตยังสงบแล้วก็ไม่สงบแบบสมาธิเวลาอยู่ในสมาธิก็สงบเวลาออกจากสมาธิก็ไม่สงบเนี่ยความสงบแบบนี้เรียกว่าความสงบชั่วคราวเป็นสมาธิเป็นความสงบของสมาธิแต่ความสงบของวิปัสสนของของของปัญญาที่ได้กำจัด ทำลายความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจเ้วนี่จะเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสงบที่ถาวร น, นี่คือเรื่องที่พุทธเจ้าส่งสอนให้พวกเราปฏิบัติกันเบื้องต้นให้เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพื่อเราจะได้เปลี่ยนทิศทางในการหาความสุขเปลี่ยนจากการไปหาลาบยศสารเสริญไปหารูปเสียงกล่นลดมาหา ทำกันมาหาความสงบกันเลือกหาโลกกระทำแล้วมาหาสันติธรรมกันเอสันติธรรมเกิดขึ้นได้ก็เกิดจากการบําเพ็ญจิตตภาวนานี่เองสมถะภาวนาละวิปัสสนาภาวนาถ้าเราเราพิจารณาอยู่นเนื่องแล้วสักวันหนึ่งเราก็จะเปลี่ยนทิศทางในการหาความสุขเราก็จะมาภาวนากัน เมื่อเราภาวนาแล้วไม่นานเราก็จะได้ความสุขที่ถาวรหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เรามาศึกษาและปฏิบัติ ต, ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าขอให้พวกเราเพียรพยายามทํากันไปให้มากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วการพัฒนาก็จะเป็นไปตามลําดับอย่างแน่นอน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 จันโทปะนะราโสยตามณิจโตติหราโสยตาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโววินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีธีขายุโกภวะอภิวาทนสิริสะนิจังวุฒาปจายโน จัตตาโรโธัมมวาทานติอายุวโนสุขังภาลางังลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถามไปจนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมแต่หลังจากเลิกแล้วขออนุญาตงดถาม จะไม่ตอบคำถามหลังใหม่ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษเข้ามาแล้วจะมีผู้อ่านคำถามให้วันนี้เข้ามาเท่าไหร่ f a c e b o o สามร้อยหกคนครับ y o u t u หนึ่ง้อยสามสิบสี่คนครับวิทเจยุออนไลน์ยี่สิบสามคนครับผู้รัฟังบนเขาหนึ่งร้อยสี่สิบหกคนครับรวมทั้งหมดหกร้อยเก้าคนครับอาจารย์ ก็มีคำถามก็อ่านได้เลยคำถามจากทางไลน์ค่ะทำอย่างไรจะหลุดพ้นจากวงจรวาจาทุจริตคะแม่ชอบพูดจาหยาบคายพูดคำด่าคำเคยทำงานโดนนายด่าจนต้องลาออกดิฉันไม่ด่าใครไม่พูดหยาบตั้งใจว่าจะไม่เป็นเหมือนแม่ กลัวว่าจะเป็นเหมือนแม่เจ้าค่ะถ้าอยากจะออกจากวงจรนี้ก็ต้องไปบวชนะไปอยู่กับพวกบวชเขาก็ไม่มีพูดเขาก็ไม่พูดจาทุจโกหกหรือพูดจาหยาบคายนะเราเป็นคนมีศีลก็ต้องไปอยู่กับคนมีศีลเหนะมือนน้ำกับน้ำมันอะอยู่ด้วยกันไม่ได้เคยสังเกตเอาน้ำกับน้ำมันเทใส่ขวดเดียวกันมั้ยเทแล้วเขย่าดูเยเอาน้ามันกับ น้ำเนี่ยน้ำน้ำมันที่เราใช้ทอดอาหารทอาหารใส่ไปในขวดเดียวกับน้าผสมกันไปเขย่าไปยังไงมันมันก็ไม่ยอมรวมกันน้ำก็ต้องอยู่กับน้ำน้ํามันก็ต้องอยู่กับน้ํามันคนที่ทุศีลกับคนมีศีลก็มากจะอยู่ด้วยกันไม่ได้คำถามต่อไปจากทางไลน์ค่ะขอกลับเรียนถามพระอาจารย์ว่า การปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานสีน่นี้คือให้ปฏิบัติไปตามลำดับกายเวทนาจิตธรรมใช่ไหมคะคือโยมเผอิญฟังพระรูปหนึ่งสอนว่าถ้านิสัยฟุ้งซ่านเป็นจริตที่เหมาะกับการดูจิตให้ไปที่จิตตานุปัสสนาโดยตรงแต่โยมเคยทำแล้วจิตใจไม่พัฒนาไปกว่าเดิมคือสำหรับผู้ปฏิบัติทุกคน ให้เริ่มต้นที่กายานุปัสติปัฏฐานที่พระอาจารย์สอนบ่อยๆเช่นรู้ลมหายใจใช่หรือไม่เจ้าคะเบื้องต้นต้องฝึกสติก่อนสติปัฏฐานคำว่าสติให้ฝึกสติจนกว่าจะได้สมาธิได้สมาธิแล้วค่อยไปพิจารนากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตตามลำดับเพื่อปล่อยวางกายเวทนาจิต เพราะทำไปยึดไปติดก็จะทุกข์เพราะกายเวทนาจิตนี้ไม่เที่ยงเป็นอนัตตาแต่เรามักจะไปเห็นว่ามันเที่ยงเป็นของเราเราเลยทุกข์เวลาที่เราไปควบคุมมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้คำถามจากทาง YouTube ค่ะจากคุณไพรัสกราบนามัสการท่านพระอาจารย์ระยะนี้ผมเน้นหนักไปในทางพิจารณากาย ความเป็นปฏิกูลคำถามมีดังนี้ครับ 1. บางครั้งเมื่อกำหนดถอนฟันหรือพิจารณาความศกกระโกรมีความรู้สึกเหมือนว่าฟันจะหลุดจริงๆและเกิดความสังเวชขึ้น 2. เมื่อพิจารณาความเป็นปฏิกูลกายสังเกตว่าใจจะสงบระงับเยือกเย็นได้เร็วกว่าอื่นๆและเกิดความสังเวชได้ง่ายและบ่อย 3. ใน ว, วันไหนที่พิจารณากายดีๆเมื่อนอนภาวนาลงไปมักจะฝันถึงกายเน่าเนื้อถูกกรีดเห็นเนื้อแดงแดงเห็นสมองเน่าเหม็นและเกิดสังเวชขึ้นด้วยตามแนวทางที่ที่กล่าวนี้โดยคร่าวๆ ข, ขอท่านพระอาจารย์แนะนำแก้ไขเพิ่มเติมด้วยครับการพิจารณาร่างกาย พิจารณาอสุภะหรือปฏิโกรเพื่อให้เราไม่ไปหลงรักร่างกายทั้งของเราและของผู้อื่นบางคนไม่พิจารณาก็หลงไหลกับร่างกายของตนพยายามหาน้ําหอมน้ําหอมหาอะไรมาใส่มามาปกปิดกลิ่นอันเหม็นของร่างกายหรือว่าไปหลงไหลชอบร่างกายของคนอื่นเอ อยากได้เขามาเป็นแฟนแต่พิจารณาความไม่สวยงามของเขาพิจารณาความเป็นปฏิกูลของร่างกายของเขามันก็จะละความอยากได้เพราะฉะนั้นการพิจารณานี้ต้องเอาไปใช้ละความอยากละความรักในร่างกายของเราและร่างกายของผู้อื่นคําถามจากทางยูทูบค่ะ จากคุณพนมพรขอโอกาสครับขอแนวทางการละกิเลสที่เกิดจากการมราคะครับก็เพิ่งตอบไปนะีใช่หให้พิจารณาอาสุภะพิจารณาปฏิกูลของร่างกายโดยเฉพาะร่างกายของคนที่เราเราอยากจะได้มาเป็นแฟนถ้าเห็นใครเขาสวยของงามนี่ต้องพิจารณาให้เห็นว่าเขานอกจากสวยงามแล้วก็เขาก็ มีส่วนที่ไม่สวยงามซ่อนอยู่ภายใต้ร่างกายของเขาภายใต้ผิวหนังของเขาอแล้วก็มีสิ่งปฏิกูลต่างๆอยู่ภายในร่างกายของเขาที่เขาจะต้องขับถ่ายออกมาอยู่เรื่อยๆถ้อพิจารณาอย่างนี้แล้วก็จะละกา ม, มาราคะได้คำถามจากทาง facebook ค่ะจากคุณสุเมศขอเรียนถามท่านพระอาจารย์ ผมนั่งสมาธิร่างกายเหมือนจะลุกขึ้นลุกลงวูบขึ้นวูบลงผมตกใจมากเป็นเพราะอะไรครับเพราะเราไม่มีสติถ้าเรา ม, มีสติร่างกายมันจะไม่มีอาการต่างๆเังนั้นเวลานั่งต้องมีสติกำกับใจต้องมีพุโทโธพุโทโธหรือมีการดูลมหายใจอย่างต่อเ น, นื่องแล้วอาการต่างๆมันก็จะไม่เกิดคำ ถ, ถามจากคุณจุ๋มค่ะ ถ้าร่างกายมีความหิวถือว่าเป็นความอยากไหมคะถ้าหิวนอกเวลาก็อยากการรับประทานอาหารก็ควรจะรับประทานเหมือนอยามีเว ล, เวลาตามที่ความเหมาะสมของความต้องการของร่างกายสำหรับพระนี่ท่านก็สอนว่าฉันมือเดียวก็พอถ้าหลังจากชันเสร็จแล้วไปหิวก่อนถึงเวลาฉันก็เรียกว่าเป็นกิเลส ออ า, าออรยชนนนัักกี็็ต้งงเเเวลลฉถึไม่ปิคำถามจากทาง youtube ค่ะกาเปียนถามพระอาจารย์ครับการนั่งสมาธิเกิดอาการง่วงปวดเมื่อยหยุดการนั่งลุกขึ้นยืนเดินไปเดินมาหายปวดเมื่อยแล้วกลับมานั่งต่อได้ไหมครับได้ก็ต้องทําอย่างนี้ไปก่อนอเพราะว่าจะนั่งอยูอย่อย่างเดียวก็ไม่ได้ร่างกายก็ต้องมีการพ่อน เปลี่ยนอิริยาบถเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้ออะไรต่างๆนัการปฏิบัติจึงมีการสลับกันระว่างเดินยืนกับนั่งกาถามจากคุณทวิชาค่ะจะเรียนถามว่าเมื่อนั่งสมาธิจิตรวมนานๆรู้สึกเหนื่อยจะต้องทำอย่างไรคะก็สะแสดงว่าไม่ใช่จิตรวม ถ้าจิตรวมเราจะไม่เหนื่อยจิตรวมเราจะสบายจะเบาจะมีความสุขออกมาจะมีกำลังมากเห็นการนั่งแล้วเหนื่อยนี่แสดงว่ายังไม่สงบยังมีการต่อสู้ระหว่างสติกับกิเลสอยู่เหมือนกำลังชักก็เยอะกันอยู่แต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมแพ้นั่นอหละมันถึงจะไม่เหนื่อยเวยลาชักก็เยอะกันถ้าต่างฝ่ายต่างดึงกันมันก็เหนื่อย แต่ถ้าฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งหยุดเช่นเวลาจิตสงบกิเลสหยุดหยุดต่อสู้ก็เบาสบายหรือว่าเรายอมแพ้แล้วก็ลุกยอมแพ้กิเลสล้วก็ลุกไม่นั่งต่อมันก็เบาเหมือนกันแต่เบาคนละแบบเบาเพื่อฟุ้งสร้านแต่ถ้าเราชนะกิเลสล้วก็เบาให้เบาด้วยความสงบต่างกัน คำถามต่อไปจากผู้ที่รับฟังบนเข่านะคะดิฉันไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นโรควิตกกังวลที่กลัวรู้ว่ารู้ว่ารู้ว่าก่อนเป็นทุกครั้งเราคิดไปก่อนเมื่อคิดแล้วก็ไม่ชอบกลัวและจะมีอาการทางร่างกายคือมือเท้าเกรงขนลุกหุดหงิด ต, ตัวรุมบ่านหนัก ขอพระอาจารย์เมตตาแนะนาแก้ไขด้วยค่ะก็เราไม่มีสติควบคุมความคิดปรุงแต่งมันก็คิดไปทำให้เราหวาดกลัวไปกับสิ่งต่างๆงั้นมาฝึกสติมาหัดพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆหรือจะนั่งสวดมนต์ก็สวดมนต์ไปยาวๆครั้งละชั่วโมงสองชั่วโมงฝึกสติอยู่เรื่อยๆบ่อยๆต่อไปเราก็จะควบคุมความคิดต่างๆได้ คำถามจากทางเฟซบุ Facebook, ๊กค de ่ะเขากล่าบเรียนถามครับคนที่เขาดื่มเบียร์บ่อยๆแต่ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนดื่มในห้องส่วนตัวจะตกอบายภูมิไหมครับที่เขาก็ทำบุญช่วยเหลือคนอื่นอยู่บ่อยครับก็ไม่แน่เพราะว่าเวลาดื่มแล้วถ้าเกิดมันเมาขึ้นมาบางทีเกิดอารมณ์ขึ้นมามันก็อาจจะไปเบียดเบียนไปสร้างความเสียหายให้แก่คนอื่นได้ ถ้าไม่ไปสร้างความเสียหายดื่มแล้วนอนก็เหมือนกับ ก, กินยานอนหลับนี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่มันก็จะเป็นนิสัยไม่ดีมันจะติดสุราคํะคถามจากคุณพัทราวดีค่ะญาติมีปัญหาครอบครัวเนื่องจากสามีมีคนอื่นและเครียดจนคิดฆ่าตัวตายมาสองครั้งแล้วค่ะดิฉันอยากให้เขาฟ้นทุกค่ะอยากชวนไปปฏิบัติธรรมขอคาปรึกษาพระอาจารย์ค่ะ พอมีธรรมะใดบ้างคะที่จะให้เขาไม่คิดฆ่าตัวตายและยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นเจ้าคะ่ะก็อยู่ที่ตัวเขาอยู่ที่ตัวเขาว่ารู้ว่าเขามีปัญหาหรือเปล่าถ้าเขามีปัญหาเขาต้องการความช่วยเหลือก็จะช่วยเขาได้แต่ถ้าเขาไม่ต้องการให้ใครมาช่วยเหลือเขามันก็ช่วยเขาไม่ได้ งั้นอยู่ที่เขาถ้าเขามาขอความช่วยเหลือเราเราก็แนะนําให้เขาไปฝึกจิตไปควบคุมจิตไปศึกษาธรรมะให้เขารู้จักอนิจจังที่เขาสูญเสียที่เขาเสียใจเพราะเขาไม่เห็นอนิจจังเพราะเขาคิดว่าสิ่งต่างๆที่เขามีอยู่จะต้องอยู่กับเขาไปตลอดพอถึงเวลาที่สิ่งเหล่านั้นจากเขาไปเขาก็เลยเสียใจอยากจะฆ่าตัวตาย ส่งไปให้ทางคุณลุงก่อนเลยส่งไม้สายไม้สายไม้ไปกลาบกรรมการพ่าอาจารย์ครับผมมีข้อสองข้อที่จะกลาบเรียนถามพาอาจารย์โปรดเมตตาช่วยชีย้แน่ด้วยอ่ข้อที่หนึ่งเรื่องการฝึกสติในขณะที่นั่งทําสมาธิอยู่อ่พอได้ระยะหนึ่งอ่ะ จิตผมความรู้สึกว่าจิตผมเนี่ยมันกระตุกคล้ายๆปลากินเบ็ดแล้วก็ลมหายใจเปลี่ยนแปลงความคิดหายไปเนี่ยเป็นการฝึกที่ถูกวิธีหรือเปล่าครับก็ถ้ายังมถ้ายังรู้อยู่กับลมก็ยังถูกวิธีอยู่ก็รู้ต่อไปหร้นถ้าลมหายก็รู้ว่าลมหายแต่ตัวรู้ยังอยู่ก็ถูกถ้าตัวรู้หายไปด้วยก็ไม่ถูกแสดงว่าหมดสติ ครับคือลมหายใจเปลี่ยนแปลงเป็นเบาขึ้นแล้วความคิดกลางหายไปถูกข้อที่สองเนี่ยอตอนนี้ผมอยู่ในขั้นของการปฏิบัติตามคำสอนพระอาจารย์เรื่องอลดละเลิกคือผมใช้การเลิกความอยากของในอกุศลและกิเลสต่างๆหลายๆเรื่องจนตั้งแต่เข้าพรรษานี้มาเนี่ยผม ลดความอยากด้วยการกินอาหารมื้อเดียวแล้วก็ปฏิบัติธรรมมากขึ้นเนี่ยทีนี้ผมอยากเรียนถามว่ า, าตัวกุศลเนี่ยถ้าผมยังจิตยังยึดติดที่จะทำความดีอยู่เนี่ยถือเป็นการที่จะเพิ่มความ อ, อยากของกิเลสหรือเปล่าครับไม่ละความอยากจะทำความดีเป็นเป็นธรรมเป็นการเพิ่มกำลังของธรรมคนเราต้องอยากทำความดี ถึงจะทําได้ไม่ใช่เป็นกิเลสความอยากที่เป็นกิเลสมีอยู่สามข้อเท่านั้นคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากลาบอยากรวยอยากได้ลาบยศสรรเสริญแล้วความอยากไม่สูญเสียลาบยศสรรเสริญไปคนอกจากนั้นถ้าเป็นความอยากนั่งสมาธิความอยากจะทําบุญความอยากจะฟังเทศฟังธรรมเหล่านี้เป็นกุศลหนึ่งมันเป็นความอยากที่ดีสาธุครับผมมี ข้อที่รบกวนผู้ อ, อ า, ารย์แค่นี้ครับสาธุครับอาสาธุมีใครอยากจะถามอาจารย์อาจารย์มาฟังธรรมานานแล้วไม่ถามเลยไม่เข้าใจหมดแล้วดีถ้าไม่ถามก็ดีเจสิก้าอยากจะถามอะไรไหมไม่ครับคถามต่อไปจากทาง f เฟซบุ๊กนะคะ พระบิดามานดายังมีมิจฉาทิฐิเราควรทำอย่างไรโดยไม่ไปไมเป็นการอากตันยูหรือก่อกรรมใหม่เจ้าคะอ๋อก็เรื่องของเขาเนี่ยเป็นเรื่องของตัวเขาเองเขามีมิจฉาทิถิก็เป็นเรื่องของเขาอ่าถ้าเราสามารถทำให้เขามีสัมมาทิฐิได้ก็ทำไปถ้าทำไม่ได้ก็ก็ต้องก็ต้องให้เป็นไปตามเรื่องของเขาการจะทาก็ต้องมี รู้จักวิธียบคือเราจะไปสั่งสอนพ่อแม่คงไม่ได้เพระฉะนั้นมันต้องอยู่ที่ตัวเขาว่าเขาเขาอยากจะมีสัมมาทิฐิหรือเปล่าถ้าเขาไม่อยากมีสิ่งที่เราทําได้ ก, ก็ก็คือแบบหาหนังสือธรรมะหาสื่อธรรมะไว้ในบ้านเผื่วันไหนเขาว่างเขาไม่รู้จะทําอะไรเขาหยิบหนังสือธรรมะขึ้นมาอ่านน ก็อาจจะทำให้เขาได้มีสมาทิฏฐิได้หรือมีอบายชวนเข้าไปทำบุญที่วัดไปฟังเทศฟังธรรมได้ก็ชวนเข้าไปแต่อย่าไปทำแบบบังคับหรือสั่งเขาว่าพ่อพ่อแม่มีความเห็นผิดนะจะต้องไปเปลี่ยนความเห็นนี้อย่างนี้เราทำไม่ได้คำถามต่อไปจากผู้ที่มารับฟังบุญเขาเจา้าค่ะ บาปเดยนถามหลวงพ่อคะ่ะขณะที่ลูกขับรถมีการถกเถียงกับแฟนนิดหน่อยเขาเป็นคนโลเลในเรื่องของวาจาเลยทำให้ไม่เชื่อใจเขาจึงน้อยใจกระโดดลงรถเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาและได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่24กรกฎาคมแบบนี้หนูจะเป็นบาปไหมคะเพราะหนูไม่จอดรถ ลงช่วยเขาพอคิดว่าเขาคงไม่เจ็บมากเพราะความเร็วรถ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยจะดัดนิสัยเขากลัวเขาเคยตัวจึงไม่จอดค่ะแบบนี้ถือว่าเป็น ว, วาระกรรมหรือเปล่าคะอ๋อไม่เป็นกรรมหรอกเป็นการขาดความเมตตานะเวลาใครเดือดร้อนใครเจ็บต้องดูแลกันอย่า อย่าใช้ว่าเป็นการดัดนิสัยการเจ็บไข้ได้ป่วยนี่มันจำเป็นจะต้องดูแลกันไม่ว่าเขาหรือเรา อ, อยจาดัดนิสัยต้องดัดวิธีอื่นวิธีนี้คงจะไม่ควรแต่ไม่บาปไม่เป็นกรรมแต่เป็นความร้อยเมตตาปราณีใจไม้ไส้ระกรรมคำถามจากทาง u t ท b e ค่ะจากคุณทานทิพย์ค่ะ กราบนมัสการท่านพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์คะหนูสวดมนต์เช้าเย็นนั่งสมาธิแต่เวลานั่งสมาธิจะอธิฐานด้านการค้าขายด้านการเงินตลอดการนั่งสมาธิแบบนี้ถือว่าถูกไหมเจ้าคะไม่มันไม่มันทำได้แต่มันไม่ได้ผลหรอกเพราะมันจับแพะมาชนแกะกันเหมือนปลูกข้าวแล้วขอให้ได้ส้มอย่างนี้ปลูกไปยังไงมันก็ไม่ได้ส้มหรอกมันก็ต้องได้ข้าว นั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบให้มีความสุขจะได้ไม่อยากได้อะไรแม้กระทั่งสิ่งต่างๆที่เราอาธิษฐานขอก็จะไม่อยากได้ถ้าจิตสงบแล้วมันได้ของที่ดีกว่าดีกว่าของที่เราอยากได้เพราะฉะนั้ น, ม, นมันขอไปก็ไม่ได้มันคนละเรื่อง ก, การนั่งสมาธิเพื่อให้เราไม่อยากจะขออะไรไม่ใช่นั่งเพื่อให้เราขอน่นขอนี่น พอเวลามันได้ผลแล้วมันไม่อยากได้อะไรจริงๆคำถามต่อไปจากทาง a ฟ e b o o k ค่ะจากคุณสงบอยู่เย็นค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับมัดหลับตอนนั่งสมาธิต้องแก้แบบไหนดีครับลุกขึ้นมาเดินเนี่ยถ้านั่งหลับก็ลุกขึ้นมาเดินแก้สองมีสองวิธีหนึ่งก็สติน้อยไปต้องฝึกสติให้มากขึ้นพุทโธให มากมากก่อนที่จะมานั่งฝึกสติวิธีส่วนที่สองก็คือลดการรับประทานอาหารอย่าให้รับประทานจนอิ่มเกินไปรับประทานพอรู้สึกว่าไม่หิวแล้วก็หยุดแล้วอาการง่วงมันก็จะน้อยลงถ้ายังยังง่วงอยู่วิธีที่สามก็ไปหาที่น่ากลัวอยูอ่มันก่อนมีข่าวในหนังสือพิมมีวัดหนึ่งเขามีเมนแล้ว ก็มีเหนือเมนขึ้นไปเป็นห้องนอนตอนนี้เขาเปิดให้ใครอยากจะไปนั่งสมาธิก็ไปนั่งในห้องนั้นได้อันนั้นก็ต้องไปหาที่น่ากลัวเราจะไม่ง่วงไปนั่งที่เมนหรือไปที่ป่าช้าอย่างนี้แล้วจิตมันจะไม่รู้อยู่ดีๆมันจะหายง่วงมาเลยคำถามต่อไปจากทาง YouTube ค่ะ จากคุณเ J ค่ะธรรมชาติของจิตคือชอบคิดถูกไหมคะแต่เราต้องฝึกสติเพื่อให้หยุดคิดและทําสมาธิเพื่อให้จิตมีกําลังในการฝึกให้จิตคิดไปตามความจริงโยมเข้าใจถูกไหมเจ้าคะถูกแล้หละธรรมชาติของจิตที่มีกิเลสไม่ใช่จิตที่ไม่มีกิเลสก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ชอบคิดนะจะคิดเท่าที่จําเป็นจะต้องคิดจิตของพระพุทธเจ้าจิตของบ้านหลาน ถ้าท่านไม่มีเหตุที่จะต้องคิดท่านไม่คิดอ่จิตของกิเลสเนี่ยจิตที่มีกิเลสครอบงำนี่มันจะชอบคิดมันจะหิวกับอารมณ์ต่างๆกับสิ่งต่างๆคำถามจากทาง a ฟ e บ o o k ค่ะจากคุณกรกนกนค่ะกราบนมสการพระอาจารย์ปฏิบัติสมาธิสักระยะหนึ่งพอนั่งสมาธิจนจิตสงบมากๆจนครั้งหนึ่งเห็นความเกิด และดับของลมหายใจเข้าออกทำให้เกิดความเข้าใจว่าทุกๆลมหายใจที่หายใจเข้าหายใจออกหากจิตไม่เกิดการปรุงแต่งก็จะสามารถเกิดดับเกิดดับไปแต่ละขณะเราสามารถตัดภพชาติได้หากทุกช่วงขณะเรารู้ทันและไม่ปรุงแต่งเพียงลมหายใจเข้าออกนี้แต่หลังจากนั้น ก็กลับเข้ามาที่ความสงบของสมาธิเหมือนเดิมอยากทราบว่าสภาวะที่เกิดขึ้นขณะนั่งสมาธิแบบนี้เป็นปัญญาหรือเกิดจิตปรุงแต่งไปเองคะแล้วหากเกิดสภาวะแบบนี้ขึ้นเราควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปเจ้าคะก็อย่าอย่าปรุงแต่งนั่งสมาธิเพื่อหยุดความคิดปรุงแต่งถึงแม้จะเป็นปัญญาก็ไม่ใช่เป็นปัญญาที่จะ เป็นประโยชน์เป็นปัญญาต้องเป็นตอนที่เกิดกิเลสแล้วหยุดกิเลสได้ถึงจะเป็ น, เ ป, นปเป็นปัญญาที่มีประโยชน์การนั่งสมาธินี้ไม่ได้นั่งเพื่อให้เกิดปัญญา CROSSTALK นั่งสมาธินี้นั่งเพื่อให้เกิดความสงบให้เกิดอุเบกขาการจะเกิดปัญญานี้ต้องรอให้ออกจากสมาธิก่อนแล้วก็พิจารณาความจริงก็ จ, งจะเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วก็เอาความจริงนั้นไปหยุดความอยาก ให้รู้ว่าความอยากกำลังไปหาความทุกข์ไม่ใช่ไปหาความสุขเพราะสิ่งที่ความอยากต้องการนั้นมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองคำถามจากทาง y o u t u ู e ค่ะจากคุณสันติภาพนั่งสมาธิเหมือนใจจะขาดเหมือนกั้นหายใจแก้อย่างไรดีครับก็มันเก่งนอ่สติไม่ค่อยมี ก่อนจะนั่งสมาธิลองสวดมนต์ไปก่อนสวดให้ใจเบาให้ใจสบายแล้วค่อยลองนั่งสมาธิต่อเด็กใหม่ๆ ม, มันไม่มีสติมันคิดปรุงแต่งพอจะหยุดคิดนั่งให้มันนั่งสมาธิมันก็เลยเก่งขึ้นมาฉะนั้นเวลามันเกรงก็อย่าพึ่งไปนั่งนั่งสวดมนต์ไปแทนสวดไปสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่ง ให้ใจเบาใจเย็นสบายแล้วค่อยนั่งดูลมนึกพุทโธต่อไปคำถามจากทางไลคยค่ะจากผู้ประสงค์ไม่ออกนามเจ้าค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์อะไรเป็นจุดสังเกตว่าสมาธิเราเพียงพอต่อการทำวิปัสสนาแล้วอ๋อก็มันต้องหยุดความคิดปรุงแต่งได้อย่างเต็มที่แล้วอยู่ในสมาธิได้นาน แล้วเข้าออกสมาธิได้อย่างชำนาญทุกครั้งอยากจะเข้าสมาธิก็เข้าได้ถ้าเราเก่งทางด้านสมาธิแล้วเราค่อยไปฝึกทางปัญญาต่อกาถามจากทางไลน์ค่ะจากคุณโจสิทธิพงศ์ขอโอกาสพ่อแม่ครูอาจารย์ครับเวลานึกถึงครูบาอาจารย์แล้วปิติขนลุกขนพองแสดงว่าขนาดนั้น ครูบาอาจารย์มาเมตตาหรือแผ่เมตตามาหาเราใช่หรือไม่ครับไม่ใช่หรอกเราคิดไปเองครูบาอาจารย์เขาไม่รู้เรื่องของเราหรอกท่านก็อยู่ของท่านเวลาเราคิดปรุงแต่งแล้วมันก็เกิดอาการต่างๆขึ้นมาในจิตของเราคิดในเรื่องกุศลก็เกิดความสุขคิดไปในเรื่องอกุศลก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาคำถามจากทาง Facebook ค่ะจากคุณเทพธิดา กราบพระอาจารย์เจ้าคะ่ะการที่เราสวดมนต์ตอนตื่นนอนโดยลุกจากที่นอนแล้วสวดมนต์เลยโดยไม่ได้ล้างหน้าจะได้อนิสง์ไหมเจ้าคะ อ, อ๋อไม่มีปัญหาแล้วทางร่างกายเพราะการสวดมนต์นี่เป็นการทำภารกิจทางจิตใจขอให้มีสติอยู่ับการสวดเท่านั้นถึงจะได้ผลถ้าสวดไปแบบใจลอย <c oughs> ก็จะไม่ได้ผล คำถามจากทางยู u b e ค่ะจากคุณนราทิพย์ค่ะกราบนมัส ก, การเรียนถามครับตั้งสัจจะไว้ว่าจะนั่งสมาธิให้ได้ทุกเย็นอย่างน้อยวละหนึ่งชั่วโมงตลอดพรรษาปกติก็จะสงบดีแต่บางวันคิดเรื่องงานทำให้จิตฟุ้งซ่านมากๆขอคำแนะนำในการปรับจิตให้เข้าสู่ความสงบครับก็ฟุงมาก็สวดมนต์ไปก่อน ถ้าอยู่กับลมไม่ได้พุโทโธไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนคำถามจากคุณพีโกค่ะเรียนถามพระอาจารย์เรื่องรูปจะพิจารณาอย่างไรให้เป็นธาตุสีอา่าก็ดูใช่มันมาจากร่างกายนี่มันทำํทำทําด้วยอะไรอทําด้วยอาหารใช่ไหมอาหารนี่มันมาจากอะไรล่ะข้าวผักมันข้าวกับผักมันมาจากไหนล่ะมันก็มาจากดินน่ะ ข้าวก็เป็นส่วนส่วนต่อเนื่องจากดินผักก็เป็นส่วนต่อเนื่องจากดินมาจากดินเรากิกนเข้าไปในร่างกายน้ําก็คือน้ําที่เราดื่มน้ําของเหลวต่างๆที่เราเข้าร่างกายก็เป็นธาตุน้ําลมหายใจที่เราเข้าออกก็เป็นธาตุลมธาตุไฟเราก็ได้จากความร้อนของแสงอาทิตย์ เ, ยเมื่อมารวมกันมันก็มา ทำให้เกิดผมขนเล็บฟันหนังเหนือเอ็นกระดูกขึ้นมานี่คือธาตุสี่ร่างกายนี้ทามาจากธาตุสี่เหมือนกับขนมเนี่ยทำมาจากอะไรขนมเค้กก็ทํากับแป้งน้ำตาลไข่นมเนยอะไรเมื่อมาผสมแล้วก็มาทำได้หลายแบบเป็นคุกกี้ก็ได้เป็นเค้กก็ได้เป็นอะไรต่างๆก็ได้มันก็เป็นวัตถุ ด, ดิบเหมือนกันมาจากวัตถุ ด, ดิบอันเดียวกัน อันไดวัตถุดิบที่มาสร้างร่างกายก็คือธาตุทั้งสี่คือดินน้ำนมไฟนี้เองอมหมดแล้วนะเนี่ยเวลาก็ใกล้จะหมดพอดีถ้าไม่มีใครจะถามอีกก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิิษ์พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอ